กรรมมันก็คอยจัดการเองเลยบอกเอาอส่งไปเฮ้ส่งไปมัดอยู่สะกเก้าเดือนสิบเดือนโอ้โหน้ามานี่น่าจะเป็นคนบาปเยอะแต่ก่อนเนี่ยคิดภูมิใจโดยเองโอ้เราเกิดเราอยู่ในท้องแม่สิบเดือนเท่ากับพระพุทธเจ้างั้นโอ้โหคนละมุมกันเลยอ่ะน้ามาเนี่ยโดดอะไรพันตัวลกเลกิกหนึ่พันของตัวเองพันเขาอีก แล้วยังคลอดยากก็อีกอยู่ในท้องนังสิบเดือนต้องคิดเลยแต่ก่อนมาอ่านโอ้โหสงสังยเรามีบุญมั้งเนี่ยมีบุญอะไรพระโพธิสัตว์ท่านนั่งขัตสมาธิอยู่กับห้องพระเจดีทองใช่ไหมมีอุตุกส ป, ปายะอาหารของแม่ก็ส ป, ปายะอุตุส ป, ปายะอาหารส ป, ปายะบุคคลก็ส ป, ปายะและตนเองก็มีบรารมีคุ้มครองส ป, ปายะบน่ะ นั่งคัดสมาที่เลยว่างั้นเธอแม่ปรารถนาจะเห็นก็นได้เรื่องต่างๆ่างเหล่านี้แล้วลพอท่านเบเสร็จมา ก, ก็อุปนิสัยปัจจัยบารมีทรรองท่านเกื้อหนุนมารดาทำเป็นมารดาน้อมให้ทานน้อมรักษาศีล น, นอนประพฤติเล็กขมมมีปัญญามีความเพียรมีขันติโอหบารมีสิยิบอุปบารมีสิบ ป, ปรมาทบารมีสิสของของขอ ง, ของพระโพธิสัตว์ ก็เป็นอุปนิสตยปัจจัยทําให้กระแสขันท่าไดยตนาของพระมานดานี่น้อมไปในการที่จะบําเพ็ญกุศลอย่างรุนแรงเลยเนี่ยเราเนี่ยเกิดในท้องแม่ก็น้องแม่ไปฆ่าสัตว์บ้างไปลักทรัพย์บ้างใช่ไหมไปเบื่อพืผิดในการบ้างไปพูดเท็จบ้างบาปของเราเนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่ทำในตนเองเดือดร้อนเท่านั้นนะไปอยู่ใกล้ไครแล้วมีคนอื่นใจเป็นบาปด้วยเนี่ยนี่มันขนาดนั้นนะ ก็คิดดูเนยะพ่อแม่เห็นเรานีก็โกรธเราเลยอ่ะมีงไหงมพ่อแม่เห็นก็บุญเกิดเลยนี่คนอื่นใครเห็นหน้าเห็นตาเรายิ้มแย้มแจม่มใสบุญเกิดเนี่ยอนี้แสดงบ่งบอกว่ากุศลของเรามันน้อยนิดมากใช่ไหมขนาดไปพูดกับเขาดีๆบางคนเขายังด่าทรงแล้วบใช่ไหอันนี้บ่งบอกถึงอะไรเนี่ยเพราะเราทำกรรมไม่ดีไว้เยอะ เราไม่ฉลาดในการเจริญกุศลกรรมอย่างต่อเนื่องสติสัมปชัญญะเราอ่อนเอมากถ้าสติสัมปชัญญะของเรานี่แข็งแรงนะเราจะฉลาดในการทํากุศลได้ทุกทุกอนูทุกความคิดนทุกความคิดเราจะไม่ให้บาปอกุศลธรรมมลามกมันแทรกใจได้ เ, เราสามารถที่จะทจํากิจให้เป็นไปกับกุศลได้ไหมในคนพานและคนดีไม่ได้เลยใช่ไหมก็สูงๆต่าๆอย่างเนี้ย วันไหวเป็นกระโตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยหวันไหวเพราะมีราบเสื่อมราบมียอดเสื่อมยอดมีนินทาสนรเสริญสุขและทุกมันวันไหวตลอดเวลาในใจของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยวันไหวไปตามอํานาจของกิเลสมันเข้าเพิ่มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วอย่างเนี้ยเราสร้างกรรมที่วิจิตไปด้วยบาปเป็นส่วนใหญ่บุญเป็นส่วนน้อยอย่างเนี้ยถ้าวิธีคิดแค่เนี้พ้นทุกไม่ไดา ไม่มีช่องทางของการออกจากสังสารวัตรใช่ไหมถ้าจะออกออ ก, ออ ก, ออกแบบทุรักทุเลอะเข้าใจคําว่าออกแบบทุรักทุเลไหมออกแบบชนิดที่ว่าบางคนเนี่ยโรคเรื้อนเต็มตัวเลยใช่ไหมออกแบบโรคเรื้อนออกแบบพิกลพิการเลยว่ามันขาขาดแขนถาดว่าจะได้บรรลุกับเขาแต่ละทีนี่เนะี่ยมันไม่ได้สมประกอบเลยนะประเภทอย่างเงี้ยเพราะเราทํากรรมประเภทที่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 ถามว่าใจมันเป็นไป ก, กุศลได้อย่างต่อเนื่องและยาวไกลไหมเนี่ยถ้าเราศรัท ธ, ธาก็อ่อนแอวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยไม่แข็งแรงเลยเนี่ยตอนตอนที่อยู่ที่นคนปรปฐมใช่ไหมเจ้าเจริญดาวจำได้ไหมไอมาบอกว่าเดินศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยให้แข็งแรงแล้วก็ออกจากโกศชะ ออกจากอสัตถิยะน้อมไปหาความเป็นผู้มีศรัทธานในพระตนะไตรให้มั่นคงวิริยะก็ออกจากโกสั ช, ช้าให้ได้เพื่อจะยังกุศลธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างยาวไกลอย่างต่อเนื่องสติก็ออกจากการหลงลืมสติออกจากมุทะสติให้ได้น้อมขอหาเจริญในในด้านของเจริญสติให้บริบูรณ์ส่วนสมาธิก็ออกจากวิเขป่าคือความฟุ้งซ่านใช่ไหมเอาวิเคปาเนี่ยต้องต้องไม่ฟุ้งซ่าน ต้องออกจากความพุ่งสัานให้ได้ปัญญาก็ต้องออกจากกลุ่มสัมโมหะคืออกุศลทั้งนั้นเลยกลุ่มสัมโมหะทีนี้ในด้านของกุศลศีลเราเสียหายกุศลศีลเสียหายก็ต้องใช้ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาที่เป็นกลุ่มของกุศลศีลเหล่านี้นี่แหละในการเนี่ยเจตนาศีลเจสิกศีลสังวรศีลนาวีติกามาศีลนี่แหละในการที่จะน้อมทาศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นใช่ไหมออกจากปานาธิบาสให้ได้ เพื่อจะได้งดเว้นจากปานาติบาตเนี่ยออกจากอาทินาทานใช่ไหมได้งดเว้นจากการการละออกจากกามีสุมิชฌาจารออกจากมูสาวาตออกจากปิสุณาวาจาออกจากพุรุสวาจาออกจากสัมภปราปะออกจากอภิชาน้อมก็หาอนัพิชาใช่มน้อมออกจากพยาบาทน้อมก็อภิยาบาทหรือน้อมมหาเมตตาออกจากมิชฌาทิฏฐิเข้าหาสมาทิฏฐิถ้าหมุนได้อย่างเนี้ย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 ท่านสรุปคำพูดกันบ่อยๆมันต้องคิดกว้างมันต้องมองไกลต้องไฝพระนิพพานหนึ่งใช่ไหมไม่จะไปคิดแคบมองใกล้ใฝ่ต่ำลงอบายเลยใช่ไหมบางทีเราคิดจะลงอบายกันอยู่เรื่อยเลยแล้วจะไปสารเสริญสัตว์อบัยศรราสตร์เพ้าจใจยอยมนะ เรารู้ว่าใครก็แล้วแต่เหอะจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่เนี่ยถ้ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต น, น, นี่คืออบัยศัสตว์ในอนาคตเราจะไปบูชาทําไมเราเราอยากจะต้องหนีอย่าไปเสพคุณอย่าไปคิดถึงมากคนแบบเนี้ยถ้าจะคิดก็คิดเพื่อสังเวชสล ด, ดใจเพราะถ้าเรารู้ว่าคนที่ประกอบทุจริตสามเนี่ยมันคืออบัยศัตว์ในอนาคตใช่ไหมถ้าจะคิดคิดให้เป็นนะตรงเนี้ย อสมมติเราไปดูทีวีเข้าใจไหมเห็นคนพูดเทสตส่อเสียดคำหยาเพิร์เจอรอ่ดที่โดข้อร์จนได้ครบกรรมบวนอะ่ะอา้าวนี่มันอน่ะบริษัทนี่ใช่ไหมบยรยษัตว์ในอนาคตแล้วคนอย่างนี้เลยที่เราก็จะเอาเป็นแบบอย่างที่เราจะเสพยพันนะ่ะมันก็เริ่มคิดเป็นแล้วแต่เนี้ยปัจจัยก็ต้องมาเยอะแล้วแต่เนี้ยนะสหาชาตปัจจัยอา ร, รมณ์นะปัจจัย ชาติชาติชาติเราบรราชาติอัน or or so. อันตระชาติวัตถุประเรชาตชาติปัจจาชาติชาติอะไรต่างเนี้ยต้องมาเกื้อหนุนกุศลเราแล้วใช่ไหมมันมันต้องเอามาใช้ได้สิถ้าอย่างเงี้ยโอ่เงี่ยชัดอย่างเงี้แข็งแรงไหมมันจะแข็งแรงมันจะเข้าใจถ้าเราเป็นอย่างนั้นอี่ยวก็เนี่ยพระเจ้าอาศัวนาจะพาเรากัณฑิตานันจะเสวนานใช่ไหมแล้วไอ้ไม่รู้อันนี้รู้หมดอดไม่ได้ รู้ทำางใจมันชอบหนึ่งใช่ไหมใหมใจมันชอบอย่าทำเอ๊เออะรนนเราชอบอะไรอกันแน่เนี่ยใช่ไหมเราชอบอะไรชอบบรรัณฑิตหรือชอบพฤติกรรมของคนพาอันนี้ก็เริ่มคิดใช่ไหมอานนี้อันนี้อันนี้เตือนตัวเองได้ไหมวิธีคิดแบบนี้เตือนได้เมื่อกี้เตือนเตือนเบ า, เนเบ า, เบาๆนี่ไม่ค่อยออกเลยต้องสกิดแรงๆใช่ไหม ต้อสะ ก, กิดแรงๆเลยถ้าส ก, กิดแรงๆเนี่ไม่ออกทําไงถากเลยนี่ถักปักเนี่ยอาหลุดเลยเดียนะ๋ยเนี้นี่ต้องอย่างนี้เ ย, ยื่องเราเนี่ยมันมันต้องอย่างนี้บางทีมันมันแน่นมากใช่ไหมมันต้องถากออกมาดูก่อนนี่ยไปเนี่ยขณะที่ยวงเนี่ไม่ได้มันบางทีมันต้องออกมามองข้างนอกด้วยอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันต้องทําตัวให้ค้นเจะาะพันธนาการเนี่ยคนจะมองเลยได้ดี อไม่แปลกใจนะคนที่เขาทำตัวเองให้พ้นจากปัจจนาการเนี่ยเขามองอะไรได้ดีกว่าอันนี้ขนาดบุรุชนมองนี่นะถ้าพระพุทธเจ้าลองที่ดูขาดเลยมองขาดเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนี่ก็จะเห็นเหมือนกับคนคนนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ชังถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลองไปดูที่ไล่ไปดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยเรื่องทุกข์สัต์เนี่ยพอไปวิจัยนะ เอาถ้าวิจัยนี้ไม่เห็นก็โตสี่สิบโตตีโตสี่สิบสองโตมาวิจัยเลยวิจัยเบสเสร็จวิจัยในความเป็นอนิจจังชัดไหมทุกขังชัดไหมอนัตตาชัดไหมหมุนอยู่อย่างเงี้ยไม่เกินห้ารอบนะเขาเนะ่ยเขาโอว่าเป็นพ่อเป็นแม่หายเกลี้ยงเลยโอ้เหล่าเต่กระแสขันธาตุยานตนาที่เป็นไปกันนะั้นโอ้ไมีสมมุติกันยังไงโอ้นี่มาผูกพันอะไรกันหนะกขนาหนี้ไปแล้วตเนี้ยวนี้ชัดแล้ว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 สิ่งต่างๆเหล่านี้เอามาพอมาการแบกระแสขันมาประชุมกันขึ้นมาไม่ให้ความติดแน่นยึดถือไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราอย่างไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตโนมัคือต้อ ง, งเขาจะเอาสัจจะนี้ท่านจะไปรวมไงเดี๋ยวต่อไปท่านจะไปรวมลงในปัญจุปาทานขันนั้ทุกขาเวลาศึกษาในเรื่องของอริยสัจ ต, ตรงนี้เขาบอกว่าประโยชน์ในการกล่าวมากไปทุกใดมีมากมายเป็นต้นเหล่านี้นะ ก็ประโยชน์อะไรด้วยการกล่าวมากว่างั้นทุกใดแม้เล็กน้อยมีอยู่นหน้าที่ไหนในโลกนี้ทุกนี้เพราะเว้นจากความเกิดเสียเนี่ยจะมีแต่ที่ไหนแล้วว่างั้นเพราะอย่างนั้นในพระมหาเหสีคือพระเจ้ายึ่งตัดว่าชาตินี้เป็นทุกอย่างแรกในทุกทั้งปวงว่างั้นตรงนี้ก็คือบอกว่าความทุกข์ที่ท่านตรัสเขาไว้ในที่เนี้ยท่านบอกว่าการพรรณนาอย่างมากมายจะมีประโยชน์อะไรทุกในโลกนี้ซึ่งมีสถานที่ต่างๆไม่มีนาการในไห น, ไหน ถ้าไม่มีความเกิดไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าจึงตรัสความเกิดนี้ว่าเป็นทุกข์ก่อนทุกข์ทั้งปวงต่อมาก็พูดถึงในเรื่องของชาราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์ชาราท่านกระจัดสองอย่างชาราที่มีลักษณะปัจจัยประชุมปรุงแต่งกับชาราโดยขันอนับเนื่องในภพหนึ่งในสันตติบัญญัติซึ่งชาวโลกสมมุติกันว่ามีลักษณะต่างๆนะฟันหักเป็นต้นเหล่า น, นะนี้นะหนังเหี่ยวย่นในรายละเอียดในชั้นของ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 ลอยไปนะถึงที่ใดชนทั้งหลายก็รู้ว่าน้ําท่วมไปถึงที่นั้นชั้นใดถ้ามีฉนั้นแล้วดุดลมพายุพัดเอากิ่งไม้ก้านสาขาแห่งพฤกษาชาติทั้งหลายหักทับลงคนทั้งหลายก็เมื่อสิ่งต่างๆเมื่อลมนั้นสงบไปได้แล้วเนี่ยนะก็ไม่ปรากฏเห็นลมแต่ชนทั้งหลายเห็นกิ่งไม้หักเห็นต้นไม้ร้มต่างๆเหล่าเนี้ก็บอกรู้ได้ทันทีว่ามีลมพายุพัดแม้ชั้นใด ชนทั้งหลายเห็นฟันหกักใช่ไหมพอฟันหักแล้วเนี่ยอแก้พวกคเรามันตอบเข้าไปนะใช่ไหมคนเราจริงเราเอาฟันออกหมดเลยบอกบอกโอ้คนคนนี้ดูหน้าตาเออปี๋บ้างง่ายพ อ, อฟันออกหมดแล้วมหมดหมดสภาพเลยพูดถึงเนี่ยโยมพ่อฟันแกเหลือสองสี่ แล้วต่อมาก็ต้องเอาออกหมดแต่นี้ให้ไปใส่ฟันปลอมก็ไม่ใส่สัทีปล่อยไปปล่อยมาทีเนี้ยเอามาใส่ก็เคี่ยวอาหารไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วแกก็ออกตอนเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยวทีไรก็ออกใช่ไมเพราะแกบอกมันไม่อร่อยก็ใช้เหงือกบดบดบดไปนาข้าวนาข้าวมีปัญหาเลยทีเนี้ยหมอบอกโอช่วยไม่ได้แล้ว ทําไงฟานมันบันติดเอยเหงือกบันติดหมดแล้วเลยใส่ไม่ติดเลยแต่นี่ผ้าใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมหน้เข้านะเข้าแกเลยลำบากเลยแต่นี่ก็นั่นแหละใช้ใช้เนื้อบดเนื้อน่างั้นก็ได้ก็ค่อยๆลุ่นเนึก <c oughs> โอ้โหถ้วแกก็บอกว่าเนี่ย ของเรานี้เดี๋ยวไม่เอาไปไหนเรายยใหกให้เราก็พูดไม่ออกตอนนั้นที่ไหนได้โอ้จริงๆด้วยสมบัติของทุกขันเป็นอย่างนี้ใช่มสิ่งตๆๆ่างต่างเลยนี่ฟันก็หักแก้มก็ตอบตาก็มืดหมวหูก็หนักเนี่ยเห็นการชักกายค้ำค่าผมก็งอกหรือเห็นผิวหนังเหยืย่อย่นดังๆรู้ว่าชะลานี่ปรากฏอุปมาชั้นใดนะการถึงชราทุกนี้ย่อม ขับเอาอายุสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้น้อยลงน้อยลงแล้วก็หมายความบอกว่าไอ้ข้างข้างหลังเนี่ยมันก็มากขึ้นใช่ไหมไอ้ข้างหน้าก็เหลือน้อยลงเหมือนไฟไหม้เสาไฟไหม้เสาถ้ามันไหม้โคนมามากไอ้ที่เหลือมันก็ น, อน้อยไอ้ตอนเนี้ยมันไหม้ไปเยอะแล้วเนี่ยนี่ทําที่พึ่งไอ้ตัวเองเนี่ยไหม้ขนาดนี้แล้วใช่ไหม มันไหมหกสิบกว่าปีแล้วมันไหมมาหกสิบปีแล้วแปลว่ามันจะหมดแล้ ว, แ ล, วแล้วคิดว่า ไ, ไม้นี่มันจะยืดเองได้ไหมเนี่ยมันมีขีดของมันอยู่ใช่ไหมถ้ามันมีความยาวแค่ไหนสมมติว่าไม้นี่มันยาวแค่หกสิบแปดวามันไหมมาทั้งหกสิบสี่วาแล้วสมมตินี่ แปลว่ามันจะมีความมหศัศจรรย์ไหมไม้มันจะพุ่งออกไปอีกหกสิบตีว่ามันไม่มีแล้วใช่ไหมมันไม่มีแล้วแต่ไม้บางทีเนี่ยบางทีเราไปเห็นคนอายุมากเราอาจจะคิดว่าให้เรายังไม่ถึงหกสิบตีว่าแต่ไม้บางทีมันไม่ถึงเลยบางทีมันแค่สี่สิบวาก็ได้เด็ใช่ไห ม, มแค่เข้าใจว่าเนี่ยแล้วจะไปคิดอะไรตัวเนี้ย ลองคิดเนี่ยก็มันจะไม่หมดมันจะหมดอยู่แล้วไม้ท่อนเนี้แล้วจะไปวางแผนชีวิตยังไงแค่แค่จะคิดไปสุขติภูมิในพบต่อไปมันก็แทบจะไม่ทันอยู่แล้วจะไปวางแผนอะไรอจะวางแผนอะไรในชีวิตที่เหลือเนี่ยใช่ไหมจะวางแผนอะไรอยากจะเป็นเท่าแก่ไม่ได้เรื่องแล้วไม่ทันการแล้วเนี่ยคนที่เขาจะคิดเป็นเท่าแก่เนี่ยก็ เขาคิดมาตั้งแต่เด็กๆหลาคิดเด็กๆอย่างนี้ยังแทไม่ทันเลยนะบางคนเนี่ยถ้ายิ่งสามสิบมาคิดเนี่ยหมดสิทธิ์เลยก็เลยเตือนพระท่านไม่อยากให้ท่านคิดตอนอายุสามสิบยิ่งนอายุ่าไงถ้าคนคิดวางแผนชีวิตตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สามสิบนี่ถือว่าคิดเร็วไปไหม เรเป็นงนั้นดิอันนี้พูดจริงๆเลยวันนี้ คำพูดแในลักษณะนงงี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเป็นเรื่องที่น่าคิด มีสูงนะคือคือคือบางทีเนี่ยมันบางทีอ้เอามาเนี่ยบางทีเจอพระแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยที่ท่านบางองค์นี่มีโอกาสเจอพลาดเนี่ยโอ้โหเสดายยิงงนนะบางทีบอกแต่แต่อย่างว่าเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยถ้าเขาเร่งข้นขวายตัว เ, เองเนี่ยมันจะออกจากความคิดนี้ได้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 มีเกาะ อ, อยู่แล้ว บางที ม, มันมาเคยนึกถึงนายนียาบาลโอ้โหเขาเห็นสัตว์นโลกเนี่ยเขาเขาสงสารจังแต่ในขณะเดียวกันเข า, าก็ต้องไปไปคอยทรมานเป็นกรรมที่เขาจะต้องไปทำไปไปไปม า, มาเนี่ยด้วยการเผือด้วยก็อยู่ใกล้กับสัตว์เหล่านี้เยอะไปเกิดโกรธไปเกิดเกลียดขึ้นมาก็ไปประทุษล้ายด้วยโทรศ ไอ้กรรมที่ตนเองทําทำพอตนเองจุติถ้เาเกิดไปเป็นตันในโลกซเองแล้วไปนี่คนเหมือนกับผู้คุมทั้งหลายใช่ไหม โ, โกรธมากจเจอพวกไอ้อ น, นักโทษเนี่ยทําร้ายเขาบ้างอะไรบ้างเนี่ยเข้าตนเองก็ไปทําผิดซะเองแล้วกลายเป็นนักโทษเอยู่กันอย่างนี้โอ้สังสารวัตรมันออกกันไม่ได้มันโดนมันเห็นโทษมันเห็นด้วยโทษศร์ต้องต้องระวงังเนือให้เห็นได้ปัญญายาที่โยมว่ า, าจริง ถ้าเห็นด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันจะออกไม่ใช่เห็นด้วยโทษสะเพราะโทษสัมันก็เห็นโทษแต่เห็นโทษแล้วมันมันเกลียดมันเกลียดเออใช่ๆช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 จริงนะชีวิตนักบวชนี่อิสาราะเนีอิสาระอิสระคือมีโอกาสเจริญกุศลได้ทุกทุกเวลาไม่เวลาไหนเลยนะจริงๆไม่มีเวลาไหนที่ที่เจริญกุศลไม่ได้เลย <S <S 1> <S 1> เพียงแต่ว่าเราพลาดไปแค่ะนั้นแหละเราพลได้โอกาสเจริญกุศลค่อนข้างที่ทนักบวชชีวิตคารวาสนี่อูไม่ได้มีข้อจากัดเยอะ <S <S <S ตรงนี้ก็คือท่านให้พิจารณาเรื่องชรลาทุกเนะย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 ห้อยซึ่งแขนซ้ายแขนขวาเป็นเหมือนป้านลมอ่ะรู้จกบ้านป้านลมเนาะไม่รู้จะป้านลมไอ้ที่มันเป็นไอ้กันศาสตร์ที่มันเป็นที่บางลมนั่นเองนั่นแหละเขาเรียกป้านลมนี่เป็นภาษาโบราณเนะียนั่นแหละแต่จริงๆลักษณะนั้นเป็นป้านลมที่เขาจะทำไปลักษณะที่มันกันลมก็ไวเหมือนจัว่วเหมือนอะไรนั่นแหละ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 มุกขาทวานตอกดอกใหญ่เลยตรงเนี้นะต่อเข้าไปนั่นแหละ <S <S แล้วก็ปัสสวะทวานอุจจาระทวานก็ว่าไปเนะ <S <S เป็นทวานเก้าเลย <S <S ตั้งไว้ที่ศีหาบัญชรเนี่ยนะคือจักขคูประสาส์หนึ่งโสตตประศาส์หนึ่งคณนาประศาสาชิวหาประศาสา์กายะประศาส์ดังนี้แล้วก็โบกผิวนอกคือตัาโจก็คือหนังนั่นแหละแล้วก็ทาด้วยน้ํายา อันเหลืองและขาวคือขมิ้นและแป้งเป็นอาทิกระทำดวงจิตให้เป็นเจ้าเรือนคืออาตภาพนี้เมื่อขณะการแห่งลมพายุพัดก็คือชลาเน่แหละมเบียดเบียนมาบีทานนะมาย่ำยีต่างๆในการใดเรือนคืออาทภาพนี้ก็ไม่อาจที่จะตั้งมั่นถาวร อ, อยู่ได้ก็หวันไหวสั่นคลอนไปมาคำค่าชลาลงทุกวันทุกคืนอียบทสี่คือการยืนเดินนั่งนอนกระทุกพลภาพลงเนาะ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 ที่บรรดาดอกไม้บานในน้ําก็ดีในบกก็ดีเนี่ยขั้นต้องรัศมีอาทิตย์แล้วก็เริ่มเหี่ยวแห้งหายนักข้าวก็โรยลาปัสจากสีสันนะตอนเนี้ยดอกไม้นี่ก็เริ่มโรยลาสีก็เริ่มไม่คอยสดอย่างเก่าแล้วนะใหม่ๆก็ดูมันสีมันก็เนียนักข้าวพอเจออาทิตย์บ้านหลังนี้อย่าพังอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมลมพัดจาไม่รู้ตั้งไหร่ในโยก ค, คอนอะไรสารพัดเลตอนเนี้นะ ทีนี้แล้วถึงพระ จ, จันทร์อันรุ่งเรืองก็สูญเสียไปปราศจากรัศมีเศร้าหมองชฉินใดความชลาเนี่ยแม้มาถึงแล้วก็ให้สัตว์ทั้งหลายมีอวัยวะต่างๆวัฒนาการมีรูปโฉมโสภาเนื้อใหม่ๆนัเข้าก็โรยลานะแล้วก็เศร้าซ้อยปราศจากสีพันุ์ต่างๆปราศจากกําลังวังชาแล้วต่อมาก็เหี่ยวลงทุกวันทุกวันเป็นที่เกียรติชังนะาะก็บอกว่าชลาเนี่ยนํามาซึ่งความรังเกียจของคนอื่น คือต่อไปเนี่ยคนอื่นก็จะขมเพ่งลูกคมเพ่งนะน้าเข้าเน่าเข้าลูกขมเพ่ง เ, เขาคมเพ่งยังไงเดินไวๆที่แม่วองนอ้โอ เ, เดินชา้าไม่ไหมคิดเร็วๆที่แม่เนี่ยเนแค่นี้เองมีอะไรหรอโอเคเขาข่มเพ่งยังไม่รู้ตัวนะน่ะเขาค่มเพ่งเนี่ยนะ้นาเขา้านะาเข้า อาเรยบกินข้าวงนั้นใช้เวลานานอย่างนี้นะ่างั้นเนี่นะข้าวเขาม เ, เหียงหมแล้วนี่ไงเนี่ยชรานเป็นอย่างเนี้ยตอนนี้โดนขมเหียงบาอย่างโดนแล้วนะโดน ล, ลูกขมเหียงชาลาเป็นอย่างนั้นแหละเขาถึงบอกว่าชาานั้นทุกข์เพราะเป็นสังขารแล้วทุกข์นะเป็นบอ่อเกิดของความทุกข์เนื่องจากชาลาเป็นเหตุทั้งความทุกข์กายและทุกข์ใจอย่างมากมาย คือการที่จะต้องทําองค์คาไปยบคืออินทรีย์ทั้งหลายให้แปรปวนแล้วก็ไม่งดงามนั่นแหละลักษณะนั้นคือชะลาเสื่อมวายก็ย่อนย่อหย่อนความเพียรหลงลืมสติก็ถูกคนอื่นก็คมเพ่งต่างๆนานๆในต่างๆเหล่าเนี้ยเป็นคําสอนนะท่านบอกถูกคนอื่นคมเพ่งเขาไม่เกรงใจแต่เขาพูดเหมือนเกรงใจเนะี่ยแม่หนูรักแม่นะแต่แม่เร็ ว, รวที่แม่โอ เดินช้าอยู่ได้ก็าว่าแต่ก็บอกว่ารักแม่ไอ้เราก็แต่เราก็ชื่นใจคำหวานน่คือคือไม่รู้แล้วอ่ะว่าเขาข่มเหงหรือเขารักจริงๆแยกไม่ออกแล้วเพราะสติสมเปชัญญามันก็เสื่อมโทรมเสื่อมทรมแล้วยังคิดว่าจะพึ่งได้นะทั้งทั้งที่ขันเป็นอสศ ร, รณาโตเนี่ย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 เป็นต้นถูกบดภรรยาของตนนี่ยดูหมิ่นว่าเป็นคนโง่เขายิ่งกว่านั้นความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมีชารานั้นเป็นเหตุเพราะฉะนั้นพระบรมศา ส, าสดาจึงตรัสว่าชาราานี่เป็นทุกข์ชารลานี่เป็นทุกข์นั้นจริงๆก็คือก็บอกว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเราเนี่ยเดินช้าคิดช้าจําอะไรก็ไม่ได้เนี่ยในความหมายเขาเขาบอกว่าแม่นี่โง่จริงๆพ่อนี่โง่จริงๆ ก็ยอย่างตอนนี้เขาคมเห็นเอาแล้วไม่ได้เป็นอิสระแล้วทุกต่างๆเกิดขึ้นมาก็าานึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระบรมศาสดาเนี่ยผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระศาสดาท่านตรัสคําไหนไว้จริงเนี่ยตรัสว่าชรลานี่เป็นทุกข์ก็ทุกข์จริงๆแล้วก็ที่สุดจริงๆกระแสขันธะและยตนะของเราทั้งหลายเนี่ยเป็นที่รังเกียจของคนอยู่ เขามองคนแก่เนี่ยก็มองเขาไม่ได้ชอบมองนานเนี่ยเขาไม่ได้มองนานกันเลยจริงๆเขาก็ลังเกียดก็แก่เขาก็ลังเกียจนะไหมเจ็บก็ยิ่งลังเกียดถ้ายิ่งตายแล้วเดินหนีก็เลยเดินหนีเลยก็ลองคิดดูที่ไปร้องไห้เี่ยเบนหน้าหนีตะพืชใช่ไหมพอไปเนี่ยไปดูศพเนี่ไปมองเด้๋ยแป๊บเดียวมองนานไม่ได้ด้วย ไม่ไหวแล้วเขาลังเกียจขนาดหนักเลยเนะยอย่างเงี้ยที่จริงเนี่ยเขาลังเกียจตั้งนานแล้วแต่มันเพิ่งจะไปเห็นไหมพอเห็นอย่างเงี้ยก็ชัดออกมาเลยนะเป็นที่รังเกียจนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราไปดูทั้งเกียจดูดีแต่ละคนโอ้ยไปงานสบศพพยายามจะไปกันนะนปพอไปเอาดอกไม้อะไรต่างไม่ไปวางเพราะบิบเบนหน้านี้เดินลงกันไป็นแถวเป็นแถ ว, เ, เ, วเขาลังเกียจ ไม่ต้องบอกอเลยบอกว่าอ๋อเดี๋ยวอยู่ดูก่อนนานๆนี่ไม่ต้องไม่ค่อยมีใครอยู่ดูนํานหรอขนาดเอาดอกไม้ดับข้างนอกยังไม่มีใครอยากไปจ้องดูนานๆลูคก็ยังไม่มีใครอยากจะดูน้ําเลยนี่เป็นอย่างนี้เจอกาบอกโอ้ยไปไเนี่ยไปงานศพเนี่ก็ไปกันแป๊บๆก็คือเขาลังเกียดแล้วไม่มีใครอยากจะพึ่งแปถนามีใครบอกว่ารักมากเดี๋ยวขอเอาไปไว้ที่บ้านตั้งสองวันมีมไหมคนคนนี้รักมากสารเสวนมาตั้งนานแล้วเนี่ย ขอไปวางไว้ที่บ้านหน่อยนอนโดยชื่นใจหน่อยเห็นไหมเขาเริเกียดแล้วลมหายใจขาดก็าเริเกียดฉะนั้นชะลานี่เป็นทุกข์เนะชรานี่เป็นทุกข์นะแต่พิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นความชรานียว่าเป็นทุกข์อย่งประการต่อมาคือพยาธิชราเป็นทุกข์แล้วก็พยาธิที่จริงในพูดถึงในเรื่องของชะาเนี่ยท่านกล่าวไว้เยอะนะ พูดถึงชราเนี่ยโดยสา์ต่างๆ้ความคลำคล้าของชราเนี่ยนะกรณีแห่งชราอย่างเช่นว่าชีรณตาเนี่ยภาวะที่คลำคล้าชีรณตานี้เป็นการอธิบายโดยการของชราเนี่ยขันทิต จ, จังคือฟันหลุดนี่นะผู้ได้ผู้เอภาคแต่ว่าชลาโดยกิจโดยภาวะแห่งผู้มีฟันและเล็บหักในเมื่อล่วงการผ่านไปแล้วเนี่ย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 ไม่ป่าหมดแล้วเหลือคี้เท่าเหลือทานเนี่ยไอทานกับคีดเท่าที่เห็นมันเป็นผลของไฟอันนี้เหมือนการฟันหักเนี่ยผมงอกเนี่ยมันเป็นผลของชลาเป็นผลของชลาเนี่ยมันเป็นภาวะที่ชลามันแสดงให้เห็นอย่างเช่นตาใส่ตาเขาเรียกใส่ตาสั้นบ้างใส่ตายาวบางเนี่ยอันนี้เขาเรียกชลาปรากฏแล้วใช่ไหมมันถ้าถามบอกว่าชลาอย่าไปนับอายุอย่างเดียว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 ด้วยสามารถแห่งการเห็นเป็นการวิการไปของอิสีทั้งหลายนะเหมือนทางไปมาของน้ําหรือเหมือนลมหรือเหมือนไฟเป็นต้นย่อมเป็นทางที่ปรากฏความที่หญ้าเอ่ยต้นไม้เอ่ยหักโค่นลงเป็นต้นที่ท่านยกตัวอย่างมาต่างๆเลยเนี่ยนะสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะฟันหลุดเลยเป็นต้นเน่ยหนังเหี่ยวย่นเป็นต้นเนี่ยยังไม่ใช่ชาาเพราะชาาไม่ได้เป็นธรรมที่พึงรู้ได้โดยจักสู่นะแต่ธรรมไอ้ชาาเนี่ยจึงจะรู้ได้ด้วยปัญญาเป็นต้นเหล่านี้เนะี ท่านก็พูดถึงในเรื่องของคําสอนบอกว่าอายุโนสังหานิอินทรียานิปริปาโกบอกวความเสื่อมสิ้นแห่งอายุความแก่งหอมของอินทรีย์เพราะเหตุสองประการนั้นสัพท์หลังเหล่านี้พึงทราบว่าเป็นศัพ์อธิบายความเป็นปกติของชารานั้นที่นี้ในบรรดาชาราคือความเสื่อมถอยแห่งอายุหรือความแก่งหงอมของอินทรีย์เหล่านั้นนะ่ยเพราะายุทธของสัตว์ทั้งหลายชาราแล้วเนี่ยนะย่อมเสื่อมไปนั้นฉะนั้นชารานั้นพระบรมศ า, ศาสดาก็เลยตรัส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 เพื่อจะเอาวิสัยที่แม้หยาบของตนได้ตรงเนี้ยท่านก็ตรัสถึงความที่ชราดังที่ได้กล่าวนะปากตะดชรากับปฏิชณชราชราในรู ป, ปรธรรมชื่อว่าปากตาานะดชราเนียเห็นได้ทารู ป, ปรธรรมชราเนะี่ยถ้าฟันหากก็เห็นหนังเหยียวย่นก็เห็นใช่ไหมตามืดมัวต่างๆหูตึงต่างๆเนี้ยมันรู้ได้แล้วก็ผมขาวหงอกยังไงนะสตรีละก็ เ อ, อวะวะก็เสื่อมซามทั้งหลายเหราเนี้ยสมองฝ่อนี่เป็นอาการของชรลาไหมความจำเลอะเรือนี่ใช่หมดเลยเนาะเนี่ยตรงเนี้ยตอนนี้เริ่มเป็นกันหรือยังเป็นแล้วเนาะแล้วมันมียาที่จะทำให้หายได้ไม้มชรลาเหล่านี้ยไม่มีเนาะเพราะชรลานี่เป็นเป็นความจริงแท้ที่มันจะต้องนั่นเอาตอนนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าโอกาสที่ไม่ควรบรรลุธรรม มีชะลาอยู่ในนั้นด้วยนะ่มีพยาธิยอยู่ในนั้นฉะนั้นควรรีบหรือยัง<ม>เอออะอะไรควรรีบเร่งเนี่ยเดี๋ยวๆตรงนี้ต้องกนะันเนี่ยบอกว่าต่อไปเราจะเจริญสติปัฏฐานไม่ได้แล้วไม่ได้เวลาเนี้ยชะลายังไม่ปรากฏชัดมากจนถึงขนาดเลอะเรือนจนจำอะไรไม่ได้แต่มีคราวหนึ่งมันจะถึงตอนนี้ควรระดมความเพียรหรือยัง กลับไปรีบเก็บข้อมูลเอยเก็บข้อมูลอะไรเอาข้อมูลอะไรที่จะเกื้อกูลในการจเจริญกุศลใช่ไหมถ้าใครจะมาพูดให้กุศลเราเสียหายปิดหนีเลยมไหมอปิดทันทีเลยกลับไปบอไม่เอาและวบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอคุยในเรื่องที่ทําให้กุศลเดิน